องค์คำทั้งสองเนี่ยความจริงกเ็เป็นภะอันเดียวแต่ว่าทัานแยกเห็นว่าอันไหนอ่อนอันไหนแรงปัญหาอ่อนตัวป่าพานอุปาท า, า, านมันเป็นต่งนงาง่างเอาทีเดียวเห็นปัญหาแลักเพียงแต่แต่ช่วยวแกปัญหากัา น, นเองเนี่ยวแตกต่างกันปัญหาเป็นปัจจัยทเกิดอุปาทานอุปาท า, า, านเป็นปัจจัยทเกิดภพภพในที่นี้เนี่ยมีสองหนยกักษ์มมาภหนึ่งอุป า, าติภพหนึ่งนะ กรรมพหรือปักกพนที่นี้กรรมพก็ธท่านแกว่าก็ได้แต่เป็นเจตนาเป็นกรรมอัตินกรรมก็แค้คล้ายกับสังขารนั่นแหละคือแก่เป็นปัญดสังขารเป็นยาดีสังขารอันหนึ่งารสังขารเหมือนกันแต่เพราะว่าเป็นกรรมกระทไปด้วยมีการกระทำเตียไปด้วยคือไม่ใช่เทียงแต่ว่าเป็นมโนกรรมอย่างเดียวยังเป็นทั้ง ว่าจีจำยจจมได้เด็ยประการหนึ่งอีกระการหนึ่งท่านให้รยละเยว่าอวิชชาแตสังขารนั้นเป็นอดีตเหตุเรืองกรรมตะะในดีนี้ได้แต่สัตว์บัญหเหตุที่จะตสงผลเกิดอนาคตผลอนาคตผล ่ท่านแก้โดยบ่งนยะออกเป็นามว่าอวิชชาสังขารนั้นจะอดีจเหตุปัจจุบันผลเคยิญญาณามรูปกระไรตนาปัจจักโดยนาปัญหากระตราจตนาปัจจักโดยนาปัดยโดนาปัญหาทั้งหมดนี่เกิดมาจากอวิชากับสังขารถึงเดยรนาแล้วก็ปัจจุบันกรรมชะละในปัจจุบันนี่จะเป็นเหตุ เป็นจำที่เราทําใหม่เป็นสังขัารอันใหม่ที่เราทำขึ้นในภาพนี้นเพื่อที่จะให้ได้รับผลกล่าวคือชาติชาลาโศกับปริเทวะในอนาคตต่ภาไห น, น, น้านี่อันหนึ่งที่อธิบายการนา ย, ยะนี้อธิบายโดยแยกเป็นการสามการสามอันนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติการอนาคตการแต่ว่าในเ่อนายะแพ้แล้วอ่ากรรมฐานอนี้ก็แพ้อย่างเดียวกับสังขารเองแพ้อย่างเดียวกันนั่นเอง แต่ว่าเราทำความเข้าใจตั้งแต่ปตจจุบันที่ว่ามันนั้นเป็นอดีตเป็นกรรมพวะนี้เป็นปัจจุบัน ท, ทํามเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันว่ากรรมพวามันได้แต่ปัจจุบันที่จะเป็นเหตุผลให้ได้ผลในอนาบตต่อไปตัวอุปัตติทุกนั้นมีในระยะสองอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจว่าอุาปัตติทุกจะฆ่าสิแตกต่างกันอย่างไร<ะ>อุปัตติทุกไม่เป็นปัจจัยที่จะฆ่าต เราะฉะนั้นคำว่าพละปัจจัยชาตินั้นต้องทําำเข้าใจว่กากรรมพละแหงนั้ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติได้แต่อุปาติพละนั้นไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติได้เลยนะต้อแยกกันถ้าเป็นหน่อยว่าทั้งกรรมพละกับอุปาติพละเป็นปัจจัยคาติแล้วกอรมพละแห่งนั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติได้อปุปาติเคไม่เป็นปัจจัยให้เกิดช า, า, า, า, า, า, าติ ไม่เต ah. ah. ็นเลยเราบอกจะปฏิทินนั้นเป็มดีบาไม่เด็เป็มที่เลกรรมตะะเป็นกิเลสตวเป็นกิเลสตอวิชามีเพราะว่าตัณหานม่แล้วก็กรรมตะวะนี่ยีกหนสังหารอีกหนึ่งเป็นพวกอจเลสตะวอุปาทิชฌ์เพราะว่าไม่เป็นกิเลสตวันเพราะเป็มบาปทำอุปาทิชฌ์ได้แต่อะไร ได้แต่พกกามีกามัตะวะหนึ่งตามตวะหนึ่งรูตะวะหนึ่งอตวะหนึ่งสัญญาตะวะหนึ่งอสัญญาตะวะหนึ่งเนรสัญญานาสัญญาตะวะหนึ่งแล้วก็เอกวาตวะหนึ่งจตุโกกาตะวะหนึ่งันจงการตวะหนึ่งเปลียนกาพกกา การมาพบกับพอาวุโสพสัญญาพบสัญญาพบเมื่อวันยานาสัญญาพบอุตมการพบจิตุการพบมันอตมการพบมันให้หมดก้าพบเดกันกาีกันนี้คือหลักพบพกันี้มีปัญหาว่าจะบกบทุกกคออกเป็นแต่การกันยังไงถ้าแก้โดยการทุกแต่ว่าที่เกิดแล้วก่อนถ้าภาพเห็นไม่จะเห็นแต่ อยู่บาดใจข้าไแต่ตามกันที่แต่มันตก่างกันนิดเลียวันเองไอ้กเป็นพดแว่าเกิข้าแว่าจาเกิดแตกกันแค่นี้ไอ้ที่เกิดก็จางเกิดจะมาต่างกันอจากติพดนันเป็นที่เกิดข้าแปลว่าจเกิดขึ้นจาเกิดขึ้นอาการที่ขันตาเกิดขึ้นที่ว่า้าอาการที่ขัดข้าตาเกิดขึ้นแล้วที่ว่า้าติดคอก็เป็นเป็นที่เกิด การกันอย่างนี้ขะต้องเข้าใจว่าอุตสาหะติทพบคือที่เกิดธาตุติดคือกาเกิดแล้วก็เห็นว้าพอแตกต่างกันระหว่างคาว่าอุตกาติดกับธาุ้นั้นแตกต่างกันอย่างไรเมื่อมีภาพแล้วราบรรณะราคืออะไรคือความแปลเปลี่ยนไปทางอัตภาพให้เกิดแต่ภาพุติที่ว่าราโตกับไอเอว่าทุกขเมนุษย์แตตามเป็นมาโตกาบหน้าคืออะไร โศกศัทธรรมชาติของโศกคือความโกลงเกรงใจความโกลงเกรงใจไม่เป็นปานทางนามธรรมหรอกโศกทัพท์คือความโกลงเกรงใจอาจารย์ที่เตลงเกรงใจเขาเห็ที่เตือนญาติบ้างเตือนลบบ้างเตือนลึกผาบรรดาศักดิ์มากอาจารย์โกลงเกรงใจที่ว่าโศกศัพท์มันอชิงว่าคืออะไรเพราว่าเราไม่ตอบที่จะเสนอว่าโศกศัพท์ไม่เชิง่ เมื the the the the the the summer, ่อท like so ีคว mm. ่าคืออาการบุ่นโค้ดแสดงมาทางวาจาเจอจะต้องบุ่นโค้ดมาทางวาจาแล้วบุ่นโค้ดข้ามคืนทีเดียวว่าโถเป็นทุกท์จ้ิงขำเอกขำใจจริงลำบากกำลังจอาการบุนโค้ดนี้ที่จะได้เจอวะถ้าลาพังเจอว่าโถเกนใจทุกข์เกินหนึ่งไม่อยู่ในใจเฉยเยเมื่อดงอาการออกมาทางวาจาไม่จะไดเจอวะแต่เจต่อเมื่อไรบุ่นโค้มาขงใจพี่ข้า ลมพันลำคังออกมาเป็นตรีโวะอาการเวดเมื้อยลำพันเป็นตรีโวะคือปายาคืออะไรคือความขับเคลื่อนย่างเนื่อยหนหนักกว่าโต๊กจับนักตรีโคะคอุปายาหนักหนักมากอาการหนักขับเคลือนอย่างเหนือยอ้กลั้นเหนือตรงีเดียบอาการขับเคลือนคนที่ฆ่าตัวตายได้เฉพางอำนาจปายาถ้าลำคังเทียนโตจับลำพัเทียนสเกตไไม่ถ็นฆ่าตัวตาย แจเร้าอึดอัดกัไใจยากเลยอ่อาคาใจกับใจยากอาคาสุดหัวใจกอบใายากขับเคล่อนใจอย่างนี้เองให้เขาหลับรู้จะทั้งใจมันจะทังออกมาจากข้างนอกอยู่แล้วทำไม่ทางอะไรออกมาไม่ถ้ต้องอแตกตายเนี่ยอาการอย่างนี้จะอป็นปัญญาวันนั้น่างดีเราเจอจากปริโทรว่าคุกเตวะนอุปายาต์ตามาเป็นเพื่อนคุกขันขับใจปลาอกขึ้นมาทีเดียว อาการตองทุกตอนเดเรยเป็นแก๊บแกออกมาปลาติดทีเดียวอาการทุกตอนนี้เป็นแก๊ อ, ออกมาทีเดียวเพราะเหตุที่ผมเอวิิฆาเป็นปัจจัยตามลำดับดังที่แสดงมานี้อาการอันนี้แก๊ออกมานี่น่าจารตามไมยะแห่งพระบาลีทั้งอัจด้ิยที่ได้นำมาแสดงอย่างนี้ก็เพรนี้ในสมัยที่เขาทุากคงรับไปแล้ว เราไมีทานไปแล้วความคิดความอ่านของบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายที่พยายามอธิบายคุณธรรมติให้แตกต่างกันออกไปตามมายะของอาจารย์แต่ละตนักแต่ละตนักนันมันยะกของปฏิจจสมุปาทานก็มีผูือตึงความหมายแตกต่างกันค้าเหมือนกันน้อยดังนั้นนำมาแสดงต่อไปนี้ในกายตระร้าสิวาประวัติิวะทีการนี้เป็นกาที่ขาน ก็มีอภิธรรมเจตจเหมือนกันแต่ว่าเรียกชื่อแตกต่างจากอภิธรรมฝายบาลีแล้วก็สารอภิธรรมก็แตกต่างกันบ้างเคยมีอภิธรรมฐานติตอภิธรรมยานะสาฐานะอภิธรรมแล้วก็ปัตจานะปัจาอภิธรรมธรรมกานอภิธรรมแล้วก็มีสังคีติปัญยาอภิธรรมมีอภิธรรมมั นิตการได้ยามกลาหมายปฏิจจารมุปาทำการปฏิจจสมุปทานะทำแต่างกันได้นั่นคือหนึ่งท่านแสดงแสดงแสดงเสวะเสวะได้ยามว่าอภิชาติคนนั้นที่โคเรียจะเปฏิจจสมุปปาไดัทอภิชานะอภิโมกข์คนนั้นที่โคเรียจะเป็นปฏิจจสมุปปาได้ทราบารมณ์ ตัวากเปรี้วะทุกขัวมันรัสอุปายาติเลือกวางสติจักสมุปปัญนะธรรมเต็อิสิสเองที่เหลือต้งแต่ยืนยันเปนขั้ถึงอาชาติทั้งหมดเป็นขั้งสติจักสมุปปัญญาธรรมด้วยเป็นขั้งสติจักสมุปปัญญาธรรมด้วยนี่เป็นนัดอหนึ่งของอาจารย์สารวัเสระ อจารย์พราวพารสวัสดทระเด็กกับายตความคำว่าปฏิจจสมุขตาโดยธรัมกับปฏิจจสมุขปัญญามทำแตกต่างกันอย่างนี้เออ้วจะทำเพื่ออุิาิอครเป็นปฏิจจุตยธรรมทิศทานี้มาตอตัไงะมรเสที่เป็่อยไม่มีปฏิจจสมุปัามทำเพราะพรเถรกับพระเสวะท่เป็อย่อุตาน ตป็นรีบาศ์เนตัวรีบาศ์จะเปนว่าเป็นคนเป็นประจักษ์นิพาจให้ถ้านาไม่ได้เป็นเหตุีเกิดอะไรคือขึ้นในอนาคตะกรรข้างหน้าถ้านาไม่ได้ป็นหตเกิดชาตึเองาไม่ได้เป็ที่เกิดชาติเอาเราะวเนักอุาไม่ได้เป็นแต่จะให้เกิดชาติเองเพราอมันเองจี่เป็นเหตุผลที่มาจกเกิดมันจะเป็นเหตุที่จะให้เกิดในอนาคตด้วยเพราะนั่นคือเมตุผลต่างที่กล่าวว่า เป็นปฏิจจสมุปตะนัทธธรรมเดียวไม่เป็นปฏิจจสมุปตะนัทธธรรมยืนยันจะตั้งถึงญาติยืนยันเท่าญาติยืนยันนำลูกตระชาันผดจักรเวทนาเป็นเท่าตาธรรมเพะว่าญาติคือคำนี้เป็นขั้งปฏิจจสมุปตานัทธธรรมเดียวก็เป็นขังปฏิจจสมุปตนัทธธรรมเดียก็อย่านี้เพราว่ายินยันเป็นขั้งเป็นปฏิจจสมุปตะจัทธธรรม ในขณะเดียวกันวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปบาทในธรรมของสังขารและวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมของนามรูปในขณะเดียนามรูปก็เป็นปฏิจจสมุปธรรมอานามรูปเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมยตนยตนก็เป็นปฏิจจสมุปธรรมของนามรูปนั้นยตนเป็นปฏิจจสมุปบาทขณะน ขบไปก็เป็นปิจตสมุปบาทมันนักธรรมของตระหนันะที่เนี่ยมันยงเรืนออะไรเรื่อตั้งแต่วินยาณทุณคาติต่างเป็ปฏิจจสุปบาประทำกับปฏิจจสมุปปนนากธรรมได้เพราะเหตุนั้น็สดว่าต้นตึกท่อยู่ห้างกลางนี้เป็นทั้งปฏิจจสมุปบาทประทำเรือเป็นทั้งปฏิจจสมุปปนนกธรรมเรื่องตัวตระนักตัวจะบตัว่าตัวจัตัวตัตายากัจเป็นขนสเดียวไม่เป็เหตุกั เป็ตัป็นจิตนิพพานหน้าธกาไมไปที่ไหนยากอย่างนั้นม่เปที่สองเป็นของท่านพดังตากถึโตกท่านยังากถึงโคตัท่านพูดนี้เลยให้อาหมายอ่ะอวิชากสังขารเป็นปฏิจจสมุทตาได้ทำอวิชากสังขารนีเป็นปฏิจจสมุทาได้ทำต้งการอะ่ะ เป็นขาวตัดสาบารณนั้นเป็นปฏิจะสมุตปันละทำเองทำที่เหลืออีกแต่เป็นทั้งปฏิจะพุทธาในธรรมด้วยเป็นทั้งปฏิจะสมุตปันนะทำอีกด้วยคดีมาติดมาติดเลงแต่ต่างไม่จากม่ติดแรกแต่จ้างไต่จากมาติดแรกแต่ถ้าเราจับเหตว่ามีเหตุหรืออวิชาตจังขันในคดีมันจะมีผลคือยืนยันนามเรื่อปรารเป็นละ ภักดะเวทนาเป็นปัจจุบันเหตุสามคือปัญหาอุปการกับกรรมวักดิัหาอุปการกับกรรมวิภกดิเป็นปัจจุบันเหตุหาาาากกสามอันจะให้เกิดเลกล่ายคืออาาัคติทาลาโตตเป็นเทวะทุกขโมนัสในอนาคตจะถึองอีกข้างหน้าถ้าวันนี้ราจะเห็นได้ค่คือยังไม่ทัยังไง เ่ไม่ทราบว่าเขาคิดว <I S 1> ่าทำไมเขาดึงาวนยน้ำดิุกระดึงักจับักรเโตนาเป็นตัิดงานศิลปคือขหาว่ามัจะขเป็นติดานศิลปแล้วนะขารายงานที่ทวิชบ้าเขยังยืนยัาะป็นยงมีเต็มไปย่นะนากจะมีีอยู่กระดึงมานก็มีอยู่จัจักที่าเปมีอยู่จับคู่ต้นข้าวเโตรนาจับนารนา เหมืนยู mm ่เหมือนดาทุอย่างเอะเหมือนกันดทานานแต่ที่ท่านนาแต่จางัอยู่ที่คน่ะยอ้คว่าัก่ขหนึ่ง้าไม่ก่อจ้ะ้านหาเอาปลานสมรมีแล้วแต่การันตรง้าหือนั่นเหมือนนดเกเพราะามันาม้ม ทานจะมีอภิชาัเอดีตเหตุมาพุ่งเองน่และทำอยมางนี้พวกเรามาเจอเป็นคนในภาพนี้ท่านจะมีอภิชาติฐานที่อดีตเหตุมาแล้วเพราะมันขึ้นตนในใจวิบาตในปัจบันได้แต่ยียาเอาน้ำลูกเอยากระนาเอยาัดวะเอยาธนาเออยุ่งกันยุ่งกันกับวิธีเป็นทุกอย่มาแต่ต่างกับวโธีโตงที่ว่าท่านมาดูต่อปัจจุันเหตุเพื่อผลอนาคตจเหที่ท่ามีคออะไร คือตัญหาอุปาทานกับกรรมวิภัชไม่มีถ้าไม่ได้ต่อขึ้นเราจะมาในโหษามันนี้คือคุณพิชเชมนนี่พิชเช่นนะาะจักจุตสัมผัสเาจิตเทวนาพอถึงขั้อเจขเวทนาไม่ถึงขท้นแบบนี้ล่องเท้ััญหาเลยพระอหันพอกาหนดเทนาก็อยู่ข้อเทนาไม่ล่องเญหาไม่นีเขาไม่ได้ลองเทาเราะั้นท่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอาชาหันทั้งหลายน่เตอาเลนน่ะ เมือนกับมีตัวสวยทุอย่าแต่ก็ามีพลังกุเดชขาไม่ได้วังไว้ในอารมณ์เท่าไร่เญแจขาที่เป็นไปในอารมณ์สงนี่ว่าพลังกุญแจขานี่นะอาจารที่รู้เท่าทันตามจนจริงไม่ได้ไม่ได้เกิดน้ำกิราคกความเพินเพาะเหตุที่สวยอิทธารมหรือเกิดความวิ่งเีนอยากจะให้พ้นไปทจะแลกของอารมณ์ดีในขณะที่สวยอันนี้ผาลมหรือเกิดความ เมาเมื่อตามตามไปเพราะเหตุ ท, ออ ท, ที่เกิามัดคัตารินผู้โดยเขาโดยธนาที่จะรับสวนดมัดคัตาลิสเข้ามาถ้ามีานนสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นจุขกลวยธนาที่เกิดกับพระอรหันต์เจ้าจึงไม่มีราคะเป็นอันอิจฉตามนอนเนื่องมันไม่มีราคะในอันอิจฉตามนอนเนื่องเวทนาอันจะเป็นปัจจัยเกิดปัญหาก็มีไม่ได้มันหมดแค่เพียงแค่นั้นแล้วก็ไม่เกิดมีปฏิฆาตามนอนเนื่อง ในทุกขเวทนาเดชนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้ในการจะดิ้นรนเพื่อจะให้ต้นจากทุกขเวทนานั้นไม่เกิดาอญหาตามรอเมื่อในขณะที่รับมัดฌาตรุณเพราะเดชนั้นปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อพระอารมณ์นั้นเพราะเหตุที่เราหันตบกิบังเหตุสามีถ้าเราบริหน้าโสันเป็นอนาคตผลของท่านจะไม่เกิดกับท่าน เป็นปฏิยานตนได้ว่าชาตสิ้นแล้วตัวมานจังจบแล้วที่จะพึ่งชาอื่นีม่มีแล้วนี้เป็นที่สุด้าติอื่นแต่ชาติท่เหลือปฏิยานแล้วอย่างนี้ตบบาสให้จบไปซะก่อนนะครับคือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นโลกธาตุ ก, กับชีวธาต์ในพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาเราปฏิเสธผู้สร้างในฐานะที่เป็นตัวบุคคลแต่ว่า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 กับสอนให้ทำลายทำลายคันผูสร้างให้หมดไปเพราะในฐานะที่ผู้สร้างคืออวิชาเป็นกิเลสเป็นผู้ที่สร้างทุกสร้างชาติชาติที่ทุกชราทุกพยาที่ทุกบารณะทุกและโสกับปริเทวะทุกขโทมนุษย์ปูตายาต่างๆนานาประการมาให้แกเราด้วยเพราะฉะนั้นไฟศาสนาเทวะนิยมสอนให้ไปบูชาไปพักดีแต่ทางทุกเราก็สอนให้ทำลายกำจัด อวิชาคือผู้สร้างนี่ไปไปเสียเราถึงจะพ้นทุกข์ไดอวิชานี้เป็นต้นเงื่อนของคำวมาปฏิจจสมุ ป, ปบาทพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไตรยแห่งปฏิจจสมุ ป, ปบาทโดยอนุโลมนัยอันหนึ่งโดยปฏิโลมนัยอันหนึ่งโดยอนุโลมนัมยคือทรงแสดงตั้งแต่เงื่อนต้นอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตามลําดับทร้สิบสององค์อันนี้ดีกว่าอนุโลมนัย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 สามเหื่อเดียวกันตามมายะทรงสแสดงโดยพิสดานต่างๆสม<ป>ุ ป, ปบาทนี่นะครับเป็นทั้งตัวอริยสัตว์กับเป็นทั้งตัวมชิมัปฏิปทาอยู่ในตัวเองทำไมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวอริยสัตว์จตุราริยสัตว์นี่หนีไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทมชิมัปฏิปทาตัวนี้ไม่พ้นปฏิจจสมุปบาท ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าปฏิจจสมุตติบาทนั้นโดยสายสมุทัยวาระสายสมุทัยวาระนะฮะคืออวิชาเกิดเป็นสังขารเกิดนี่ทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจสงเคราะห์ อ, อยู่ข้างในสงเคราะห์ ข, ข้างในอริยสัตสองข้อตนปฏิจจสมุปติบาทสายนิโร น, นิโรทวาระตั้งแต่อวิชาดับสังขารดับนี่เป็นมรรคดับกับทั้งเป็น อ่าทุกคณีโรทศศัตทอยู่ในนั้นด้วยทุกคณิโรทศศัพทอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็เห็นไ ด, ด้ได้แล้วว่าอริยสัจสี่ก็อยู่ในปฏิจจบูปสมุตตบารันนั้นที่ว่าเป็นมนชิมปฏิปทานน่ะก็เพราะว่ามีพุทธภาสิทแสดงไว้ในสังยุจมิกายว่าดูก่อนกัดจานะสแสดงกับพระกัดจายนะว่าดูก่อนกัดจานะอ่าถ้าบุคคลอาศัยปัญญาพิจรารณา โดยปฏิจจสมุปบาทโดยสายดับอวิชชาดับสังขานดับตามลาดับแล้วความรู้สึกว่ามีว่าเป็นก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีว่าเป็นคืออัคิตาอัิตาก็ไม่เกิดอัิตานี่ก็ได้ใจสัสถิติถ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยสายดับสัสถิติไม่เกิดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดย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 ไม่ใช่สังขารในที่นี้หมายถึงสัญญเจตนาคือกายสัญญาสัญญเจตนาวจีสัญญเจตนากับมโลสัญญเจตนาเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่หมายถึงกายสังขารอันได้แก่อาาาาัฏฐาสัปปัฏาสะไม่ใช่เพราะเรื่องอัฏฐ า, าสัปปัฏฐาสัปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยเป็นเรื่องของการเข้าฌานลําดับเพื่อจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติเท่านั้นเองที่จะต้องดับกายสังขาร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 ถึงจะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเจตนาเจตสิกเฉยๆไม่เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเพราะเจตนาเจตสิกเฉยๆพระอรหันต์ก็ต้องมีพระพุทธเจ้กาก็ต้องมีถ้าไม่มีไปทำอะไรไม่ได้ยุ่งไม่มีเจตนาทํำอะไรไม่ได้เจตนามันเจตสิกเนี่ยพระจ้ว่าไปแล้วก็เป็นอภิากฤตเป็น ก, ากลางคางแล้วแต่จะไปทำประโยชน์กับ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 จะพิจารณาอารมณ์จะรู้เรื่องอะไรไม่ได้เจตนาห น, นามีลักษณะประมวลมาลักษณะเป็นผู้นํา ม, มุ่งตรงเป็นปัจจุปฐานมีลักษณะมุ่งตรงไปสู่เป้าคืออารมณ์เป็นปัจจุปฐานของตัวเจตนาเจตสิกเพราะเหตุนั้นสังขารในปฏิจจสมุทตบาร์ดท่านจึงหมายเอาสัญเจตนาอันเป็นเป็นไ ป, ไ ป, ไปในฝ่ายบุญฝ่ายอกบุญแล้วก็ฝ่ายอนินชาไม่ใช่ากายะสังขารมาจีสังขารมนโนสังขาร อย่างสามัญธรรมดาที่เกี่ยวกับฌานตมาบัตินี่เป็นตัวสังขานในปฏิจจสมุปบาทส่วนคําว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนั้นหมายถึงปฏิสุขีวิญญาณหนึ่งกับประวัติวิญญาณหนึ่งสองอันนะครับไม่ใช่วิญญาณทางพวันหกนะไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณทางอายตนะเพราะเวลานั้นนะอายตนะยังไม่เกิดมือยังไม่เกิดแล้ววิญญาณในปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านให้หมายถึง ่าปฏิสนธิวิญญาณกับประวัติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณ่ะเจอเพียงขนาเดียวก็หมดหน้าที่ตั้งแต่ขณะที่สองต่อจากปฏิสนธิวิญญาณกระทั่งถึงจุติในชาติหนึ่งพบหนึ่งเรียกว่าประวัติวิญญาณทั้งหมดถ้าจะว่าไปแล้วก็คือตัวผวาลนั่นเองนี่เป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอันนี้ลักษณะวิญญาณที่จะไปปฏิสนธิก็ต้องถูก กรรมนี่แหละเป็นผู้พาไปมีปัญหาเป็นเป็นผู้ชักจูงพาไปเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนหนึ่งเป็นเป็นเป็นเนื้อแนนดีนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าปัญหาเนี่ยเป็นสิเนหะคือยังเหนียวอยู่ในดวงวิญญาณอันมีกรรม เป็นผู้บงการผ่าผ่าไปถ้าวิญญาณอันใดวิญญาณนี่เป็นพืชเขาโทษว่าไม่ใช่เนื้อนาเป็นเป็นพืชวิญญาณนี่เป็นพืชเป็นผีช้าผีช้าวิญญาณท่าเรียกว่าผีช้าวิญญาณผีช้าวิญญาณนี่ถ้าไม่มีปัญหาเป็นอย่างเหนียวแล้วมันก็ไม่ขึ้นอย่างวิญญาณของพระอรหันต์ที่ยังไม่ถึงแต่การอนุปัสอนุปาสิีเสสะมีพานก็ท่านก็ยังมีวิญญาณอยู่ แต่ว่าเนื่องจากขั้นหนึ่ตันหาคือไม่มียางเหนียวภายในเพราะฉะนั้นวิญญาณท่านจึงไม่ก่อเหตุปฏิสุพทิแต่วิญญาณของบุตุชนนั้นก็ก่อเหตุปฏิสุพทิเหตุเพราะมียางเหนียวท่านเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชที่ยังมียางเหนียวอยู่ไปปลูกแม้จะเก็บไว้สักกี่ปีกี่เดือนถ้าไปเจอปัจจัยแล้วมันก็งอกขึ้นส่วนมเมล็ดพืชบางเหล่าแม้จะรูปตรงสันหานไม่ชำรุดแต่เพราะว่าเมื่อยางเหนียวหมดไปแล้ว แม้จะเก็บปีกีปีหรืี่เดือนเมื่อไปปลูกข้าวปลูกข้าวไร่ไปรดน้ํารวนดินดินฝ้าอากาศจะดีเพียงไรอาหารจะดีเพียงใดมันก็ไม่งอกเงยขึ้นมาท่านเฟรดไว้อย่างนั้นเพรญญาะฉะนั้นยินยานที่จะไปปฏิสุทธิในพบต่างๆเนี่ยต้องอาศัยอย่างเหนียวภายในตัวตัณหาในที่นี้จะคือตัวเจตจํานงตัวเจตจานงเจตจํานงความอยากจะเจนอยากจะมีพูดง่ายๆว่าได้แก่ตัว ภาวะปัญหาตัวนี้สําคัญที่สุดพระพุโทโธองค์ได้แสดงมูลราบพระวตะว่ามีสองอวิชชาหนึ่งภาวะปัญหาหนึ่งว่าทำทำสองหล่าวที่ควรแก่การประหารคือเป็นขนาดคืออวิชชาหนึ่งภวะปัญหาหนึ่งนี่ทำสองล่าวที่ควรแก่กําหนดรูปเป็นขนาดคือนามหนึ่งรูปหนึ่งต้องแสดงโดยนัยะหมวดสองเเป็นโดยหมวดสองเพราะฉะนั้นอวิชชากับภาวะปัญหาเนี่ย ถ้าจะว่าโดยกิตคล้ายคลึงกันมีภาะวะปัญหาอยู่ก็มีอวิชชาอยู่นะฮะถ้าหากว่าอาวิชชาดับภาะปัญหาก็ดับอันนี้ว่าโดยกิตคล้ายคลึงแต่ว่าโดยลักษณะอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างคือว่าอาวิชชานั้นนําบุคคลไปสู่ทุกขติส่วนเพราะวะปัญหานั้นนําบุคคลไปสู่สุขติอันนี้อันนี้ข้อแตกต่างกันระหว่างอวิชชากับปัญหากับราวะปัญหา คือถ้าจะมีการตั้งกระพู้ถามว่าอาวิชชากับราะวะปัญหานั่นให้ผลอย่างไรที่มากล่าวว่าทั้งสองอันเนี่ยเป็นมูลราชของพรที่พระพุทธองค์แสดงให้รมปะหานตัปปกิตอวิชชาจะภาะวะปัญหาจะขององค์ธรรมเนี่ยก็กล่าวขยายความว่าอาวิชานานโดยลักษณะแล้วคือว่านำบุคคลไปสู่ทุกขติ ส่วนเพราะวะปัญหานั้นนําบุคคลไปสู่สุขตินี่ทั้งทุกขติกกับสุคติก็ห น, นีไม่พ้นชาติภพเพราะฉะนั้นจึงจัดทั้งอวิชากับเพราะวะปัญหาว่าเป็นตัวเงื่อนต้นขอวตตะเป็นตัวเงื่อนเงื่อนต้นของวัตตะลักษณะของการถือปฏิสนธิของสัตวอย่างสัตในปัญจโวการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัต์ที่เป็นชลาลพุชาตําเนิดอย่างมนุษย์เหล่านี้ในมหาปัญหกขยโส พระสาวดาได้สแสดงว่าเมื่อบิดามารดากำลังประกอบกรรมกิจแล้วก็ในขณะนั้นมีคันทับโพคันทับโพในที่นี้หมายถึงตัว ป, ปฏิสุพิบิญญาณมาปรากฏแล้วก็ประดูของมารดากำลังอยู่ในระยะที่ว่างามพูงๆง่ายๆว่ามีอย่างพูดตามภาษาชีววิทยาก็าเดียวว่า อ่าตัวสเปอร์มาตัวสัวของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยกําลังอยู่รับจังหวะที่จะผสมกันงามแล้วการตั้งครันก็ปรากฏขึ้นการตั้งครันก็ปรากฏนี่ในมหาสันหขยศูตร์นี่ก็แปลว่าทาั้งพุทธศาสนาเราไม่ได้เพ่งในทางวัตถุแล้วก็ไม่ได้เพ่งในทางจิตแต่อย่างใดอย่างหนึ่งยอมรับทั้งทางวัตถุกับทางจิตทางวัตถุคือยอมรับว่าอ่าปัจจัยจากิดามารดาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ต่อตั้งชีวิตขึ้น แล้วก็ปัจจัยจากตัวปฏิสนุสนทรวิญญาณเองอะ่ะอันเป็นตัวต้นตอของชีวิตโดยตรงอะ่ะเป็นผู้สวมสวมเรือนร่างอันนั้นเพระาะฉะนั้นปฐมกัลละรูปที่ตั้งขึ้นในมดลูกของมารดาปฐมกัลละรูปอันนั้นก็สําเร็จโดยจากเออ่นั้นเชื่อของบิดามารดาอันนี้ทางรูกทางพุทธศาสนาเราก็ยอมรับผิดกับทางชีววิทยาครับทางชีววิทยายอมรับแต่ในทางกัลละรูปว่ากัลละรูปเนี่ยเป็นตัวทั้งจิตใจทั้ง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 เกิดมาหน้าตาแล้วก็เป็นฝรั่งไปสิรสนิยมเอ่ยความเคยชินเอ่ยกระทั่งมารยาก็เป็นฝรั่งไป จ, จากสิ่งแวดล้อมถ้าเร า, าเจอเป็นคนไทยหน้าตาก็เหมือนคนไทยเจอเป็นแขกก็หน้าตาเป็นแขกอันนี้เคือของหมายในชาตินี้ทั้งหมดรูปร่างนะครับรูปล่างความเคยชินกับสิ่งแวดล้อมเราหาหมายในชาตินี้แต่สันดานเนี่ยไม่หาหมายในชาตินี้สันดานเป็นเรื่องติดมาแต่ชาติก่อนอุปนิสัยกับสันดาล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 แตกต่างกันราวป้ากระดิอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางสายเลือดของป่อแม่ไม่มีส่วนใน ท, ทางที่จะสร้างอุปนิสัยและสันดานดั้งเดิมของเด็กหรือการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีส่วนในการแปลเปลี่ยนสันดานเดิมของมนุษย์สันดานเดิมนะี่ยเป็นสิ่งซึ่งตัวอบรมมาเป็นสิ่งที่ตัวพบมาพกเอาไวา้ตั้งแต่ปุเรชาตมาแล้ว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 เช่นว่าเด็กคนหนึ่งนีิสายเป็นผู้ร้ายเด็กอีกคนหนึ่งนีิสัยเป็นตำรวจทั้งๆที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เด็กกอเป็นผู้ร้ายเด็กขอเป็นตำรวจก็ไม่มาเป็นพี่น่องแม่เป็นฝาแตกคลานลงมาด้วยกันแท้ยังมีสายแตกต่างกันเพราะอะไรอย่างนี้นะักชีววิทยาเขาจะบอกว่าอ๋อที่แตกต่างกันนะ่ะก็เพราะว่าบังเอิญไอ้สายเลือดชั่วของมันทะ บ, บรุดมันหลงเข้ามาในตัวเด็กกอสิสายเลือดดีของมันทะ บ, บรุด หลงเข้ามาในตัวเด็กขอหน่ะสิถ้าเขาตอบอย่างนี้นะเราตั้งปัญหาถามอีกข้อนึงว่าอะไรเป็นเหตุให้มานบังเอิญอย่างนั้นอะไรสมมติเราเชื่อเร า, ามีสายเลือดเขาาองาบรวฝ่ายชั่วมาเข้าตัวในกอฝ่ายดีมาเข้าตัวในขออะไรมันจับฝันจับฝันให้ว่าในกอนะแกต้องรับเลือดชั่วไปในขอนะแกต้องรับเลือดดีไปใครใครมาจับจับฝันอะไรยังมีพู้จับฝันอะไรมันไม่รว้ปรุงแต่ง ใช่บางเอินในในกอได้รับอย่างนั้นในขอได้รับอย่างนี้ทั้งๆงสิบเป็นเด็กป๊าแปดนี่เราสร้างปัญหาถามอย่างนี้ถ้าตั้งปัญหาถามอย่างนี้แล้วชีววิทยาก็หมดปัญญาตอบบอกมีรูปเหมือนกันมีรูปก็นอกจากโยนให้กับบางเอินบางเอินแต่ว่าวิทยาศาสตร์และบางเอินไม่ได้ทุกสิ่งต้อมีเหตุผลความบางเอินนะ่เกิดเพราะว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลอันนั้นจ้ะเราถึงโยนให้กับความบางเอินนะทุกสิ่งในโลกจะต้องมีเหตุผลไม่มีความบางเอิญหรอกครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่ทางพุทธาศ า, าสนาแจกตอบได้คือว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกมันเกี่ยวกับกระทอดีตกรรมของบุคคลสองคนนี้ทํามาต่างกันไม่ใช่ใคล้ายอะไรทั้งสิ่งเรียกอดีตกรรมข้อนี้กลับเป็นการยืนยันส่งเสริมหลักการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธาศาสนาถ้าเอาไปโทษกรรมไปโทษกรรมพันธ์ของมันทะบรุษเลือดชั่วเ ล, เลือดดีมาเข้าตัวเด็กก็ะกอกลับมาสนับสนุนมาติเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในพุทธาศาสนาของเรายิ่งขึ้น อันนี้เราเราท้าทายนักวิทยาศาสต ร, ร์หรือเปาว่าถูกนิยมเขาได้ในข้อนี้ว่าอะไรมาบังเอิญอย่างนั้นมาจับจันในจังหวะนี้เด็กคุณนี่จะต้องรับเลือดชั่วในจังหวะนี้เด็กคุณนี่ต้องรับเลือดดีสิ่งนั้นคืออะไรที่มันเปพู้จับจันอย่างนั้นอ่ะจะตอว่าบังเอิญไม่ได้สิบังเอิญนี่แปลว่าคนที่อับจนต่อเหตุผลแล้วต้องโยนให้กับความบังเอิญมีอย่างละถ้าตอให้กับความบังเอิญตัวคนตอบเองก็กำลังหักล้างที่สติของตัวเองที่หยุดนิยมว่าอะไรอะไก็มีเหตุผลอ่า คึนชื่อว่านักวิทยาศาสตร์แล้วจะต้องมีเหตุผลเสมอไปไม่มีอะไรที่เราบังเอิญหรอกเพราะฉะนั้นทั้งขานเป็นสัจใจให้เกิดปฏิสุธิวิญญาณและปวัติวิญญาณแล้ววิญญาณนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามท่านแก่หมายถึงเจตสิกที่เกิดกับปฏิสุธิวิญญาณและปวัติวิญญาณเป็นนามนะครับรูปในที่นี้เป็นไปทางรูป มหาภูตรูปด้วยอุปาทายรูปด้วยแล้วต่อเป็นภัยทงางรูปเหล่าอื่นทั้งหมดชื่อว่ารูปอยู่ในนั้นด้วยทำไมาถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าหาว่าปฏิสนธิวิญญาณไม่มีแล้วกัละลารูปูของบิดามารดาตั้งขึ้นในมดลูกของฝ่ายหญิงแล้วถ้าไม่มีตัวปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปกัละลารูปอันนี้ก็ไม่เจริญวัฒนาถาวรสลายตัวสลายตัวไปตามธรรมชาติ ไม่ไม่บังเกิดเป็นปันจะสาขาไม่บังเกิดเป็นหูเป็นตาเป็นเด็กทารกขึ้นมาไม่ปรากฏไม่สลายกวไปที่มันบังเกิดเป็นปันจะสาขาจเจริญเติบโตกระทั่งครบทุตมานคลอดออมาได้ลูกอันนี้แหละเกิดเพราะมีเจ้าปฏิสุขที่วิญญาณอนะ่ะเข้าไปพุ่งง่ายวะเข้าไปสิงสู่สถิตอยู่ในรูปอันนั้นเข้าไปสิงสู่สถิตอยู่ในรูปอันนั้นบรรดาให้รูปอันนั้นอ่ะเจริญวัฒนาถาวรขึ้นมาด้วยเติบโตขึ้นมาด้วย อันนี้ก็เด็กกับนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสราญตนะอันนี้เข้าใจง่ายนะครับศัลธ์คำว่าสราญตนะหนนี่ยแปลว่าบ่อเกิดคําว่าอายุตนะเนี่แปลว่าบ่อเกิดที่ต่อที่ต่อของอารมณ์ถ้าแปลตามตัวมันที่ต่อของอารมณ์อ่าญตระหนะอายุตนะหอันนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ความหมายทั้งในส่วนโลกุตระกับโลกียะ ถ้าจะแปลด้วยเอกเทศแปลว่าสิ่งอย่างทรงใช้ในกรณีอธิบายพระนิพพานว่าอภิภิคเควตดายาตนางดูก่อนที่สุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นน่ะนาปทวีนเตโชนาโยนอาโปไม่ใช่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่อาตาานันจายตนะไม่ใช่วิญญาณนันจายตนะไม่ใช่อคินัญญาญตนะไม่ใช่เนวสัญญาณาสัญญาญตนะ ไม่ใช่ที่นั่นไม่แค่ที่นี่แต่ว่ามีอยู่ในพิสูจทั้งหลายอันนี้ทรงใช้คําอายตนะในที่นี้หมายถึงผนิพานเพราะฉะนั้นเราไปเจอคาว่าอา ย, ยตนะในพุทธพาสิบทนี้จะเป็นนึกว่าเป็นอายตนะอันเดียวกับอายตนะหกภายนอกหกภายในหก 6, ไม่ได้แต่อย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราแปลว่าอายตนะภายนอกหกภายในห ก, 6, นก 6, แล้วต้องแปลว่าบ่อเกิดหรือที่ต่อบ่อเกิดขออารมณ์หรือที่ต่อกับอารมณ์แต่ถ้ามาในกรณีทรงอธิบายผนิพานแล้ว ต้องแปลว่าสิ่งสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่นะซึ่งพระองค์ก่อนคนวิสัยที่จะเรียกสิ่งสิ่งนั้นเด้อะไรดีนอกเพราะฉะนั้นจึงต้องอยืมภาษาชาวบ้านอย่างดัดดื่นในอินเดียข้างพุทธการมาใช้ว่าเป็นนิทานนิทานก็เป็นบรรญัตเป็นภาษามนุษย์บัญญตั ต, ญญ ต, ญญติขึ้นความดับสิ่ง น, นั้นที่ที่สุดของพุกที่ดับขอกพวกต่ไปเรียกด้วยภาษาคนภาษาบ้านนั้นเรียกไม่หูกเพราะภาวะของนิพานอะสิ่งใดที่โลกมีนิพานไม่มี สิงใดที่มีพานมีโลกไม่มีเพราะฉะนั้นอับจนอับจนด้วยก้าวที่จะไปอธิบายมีพานในลักษณะไหนจึงต้องเอาภาษาที่ชาวบ้านเขาพู่กันอยู่อย่างดับด่าเดินๆเนี่ยมามันดับเรียกในพางแต่เมื่อจะตรัสถึงภาวะของมีพานอย่างแท้จริงแล้วก็ต้งแสดงในลักษณะปฏิเสธว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยังงโนไม่ใช่ยังนี้ไม่ใช่ทีโนไม่ใช่ทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนันมีนะคือหลังจากปฏิเสธว่าไม่ไม่ไม่ไม่แล้ว มีนะว่าใช่ไหมีมีแต่ความมีของนิพานน่ะมีอย่างที่โลกไม่มีและความมีอย่างโลกมีก็มีอย่างนิพานไม่มีนี่แหละจึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่านิพานน่ะไม่ใช่อย่างง้นอย่างไม่ใช่อย่างนี้ใช้คําว่าอายุตนะคือสิ่งภาวะนนั้นหรือสภาวะนั้นอันอันเป็นสภาวะความดับทุกขน่ะมีต่างจากคําว่าตรายายุตนะในความหมายของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เมื่อมีอาอายุตนะแล้วก็เป็นปัจจะให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจะให้เกิดเวทนาผัสสะนี่หมายถึงว่าเมื่ออายุตนะภายในภ า, ายนอกกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณความรู้ขึ้นตาม อ, อายุตนะความประชุมแห่งธรรมทั้งสามหมวดนี้ชื่อว่าผัสสะเมือ่อมีผัสสะแล้วเวทนาก็เกิดจะคุ้สัมผัสประชาสุกขเวทนาจะคุ้สัมผัสปชาสุขเวทนาจะขุ้สัมผัสประชาอุกุมสุขเวทนา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 ต่างกันที่ดีกรีปัญหาดีกรีอ่อนหน่อยอุปาทานดีกรีแข็งกล้าหน่อยดีกรีนั้นมันแตกต่างกันองค์ธรรมอันเดียวกันคือโลภะเจตสิกปัญหานั้นมีเป็นปฏิปักษ์กต่อความมาักน้อยมีลักษณะความแตกต่างกันระหว่างตันเขาบาทานนะฮะปัญหาเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยอุปาทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความสัโดดนี่เป็ข้อแตกต่างระหว่างปัญหากับอุปทาน ถ้าเขาตปัญหาถามบอกว่าปัญหาอุปาทานท่านแสดงว่าได้แก่โลภะเจตสิกแล้วท่านจะเชีย่ยเห็นความแตกต่างของธรรมะของอันนี้ได้อย่างไรแล้วก็ตอบได้บอกว่าชี้ได้ที่เชี่ได้ก็เพราะว่าปัญหานั้นเป็นปฏิปัติต่อความมักน้อยส่วนอุปาทานนั้นเป็นปฏิปัติต่อความสันโดษมักน้อยกับสันโดษนี่ต่างกันนะครับต่างกันมักน้อยเนี่ยความมักน้อยเนี่ยทําไมถึงว่าต่างกันคือว่าธรรมะ ในพุทธศาสนาเนี่ยทางโลกก็ยังเข้าใจผิดมากถึงกับมีสมัยหนึ่งมีการขอร้องจากนักการเมืองบางท่านบอกให้ท้าเทาเาการเทศนาสั่งสอนเรื่องสันโดษเถอะบวชพระสุนทรจะพากันเกียดตค้านไม่ทําการไม่ทํางานขอให้เทาเทากันสอนเรื่องสันโดษเถอะนี่นักนักการเมืองพู้นั้นไม่เข้าใจความหมายเรื่องสันโดษไปเอาสันโดษคุณเป็นคำ ม, มักน้อยเสร็จแล้วนี่เลยเข้าใจผิดหมดสันโดษไม่ใช่มักน้อย เราสังเกตได้ว่าพระศาสดาแสดงธรรมอันเกี่ยวกับมรรคน้อยนั้นไม่ได้สอนคารือหักเลยสอนพระทั้งนั้นสอนพระนะสอนมรรคน้อยนะไม่เคยพบหมวดธรรมข้อไหนที่พระองค์สอนคารือหักในเรื่องมรรคน้อยเลยไม่ปรากฏเลยเพราะเป็นคารือหักแล้วมรรคน้อยไม่ได้แต่เมื่อกล่าวถึงสันโดษแล้วทรงใช้ผู้อ่นไปทั้งพระทั้งคารือหักแสดงธรรมสอนหมดพระโอษฐทำไมพระองค์ตรัสว่าสันตุผีประมาณขนางหลักวามสันโดษนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ทำให้แสดงอย่างนั้นเรายกกลัวอย่างง่ายๆก็พอว่าสันโดษได้แก่อะไรสันโดษนั้นคือความพอใจในผลได้จากพละสติกำลังความสามารถที่ตัวขนขวายมาชื่อว่าสันโดษนี่เห็นชัดๆแหละใครมีสันโดษนะประเทนั้นเก่าหนาลาบดอนขมิ้นขมันทำงานเพราะทุกคนต้องการจะเอาผลไดจากพละสติกำลังของตัวเอง ไม่ไม่นั่งงอมือ ง, งอตีจะพึ่งคนอื่นใายใจไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีไม่มีการคนว่างงานไม่เกิดในสังคมนั้น่สังคมใดมีสันโดดเพราะอะไรสันโดษพระ อ, องค์ได้สอนแล้วนี่ว่าผู้ใดที่มีความพอใจในทรัพย์ในสมบัติที่ตัวหาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงสติปัญญางตัวเองนั่นแหละเป็นสันโดษไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็พอเท่านั้นแล้วไม่ต้องไปหาแล้ววันนี้ได้กินข้าวมื้อ น, นึงก็พอไม่ต้องไปห่วงวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะอดช่างมันไปหาหมา่ไม่ใช่น่ามันจะสั้นโดดนั่นคนละอย่างนั่นมักน้อยมักน้อยนะ่ะทรงแสดงกับพราอย่างเดียวเพราะว่าภาคเราพึ่งชาวบ้านภาคเราไม่ไม่สะสมอาหารเพราะฉะนั้นมีมักน้อยได้ให้พอมีพอกินพอกินในจิตปัจจัยรสี่วันหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปคิดสะสมอะไรมากมายพอคุลอัตภาพนี่ทรงแสดงกับพระแก่บัมพชิตเพระเราต้องพึ่งชาวบ้านเขาเลี้ยงถ้าไปมัวสะสมมากมายไก่กองแล้วก่อจะเป็นการ เบียดเบียนชาวบ้านไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้มันชิดรู้จักมกน้อยไม่เคยทรงสอนข้อเท็จให้มกน้อยเลยคนละอย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเอาสันโดษไปปนกับม้อยเนี่ยเอามากรดยไปปนกับสันโดษเนี่ยจึงมาทั่วพุทธศาสนาหาว่าคนไทยมูจะนับถือพอุทธถึงสี่มุมไทยถึงลาหลังเจ้าหน้าจามเขาไม่ทันนี่เข้าใจผิดแท้ๆถ้าคนไทยนับถือพุทธจริงเข้าใจธรรมะพระองค์จริงปฏิบัติจริงแล้ว่านนี้คนไทยนำหน้าโลกแล้ว ไม่มีคนว่างงานทุกคนต่างช่วยตัวเองสร้างตัวเองไม่มีใครมานั่งเป็นนักรีดนักขายที่มีนักเรียนักขายในสังคมเนะี่ะเพราะไม่รู้จักสันโดษนะถึงคอยรีดคอยขายเขากินนะอ่ะเออถ้าหาว่ามีสันโดษแล้วนักเรียนักขายไม่มีทุกคนทําการทํางานพอใจในทรัพย์สมบัติที่ตัวหาได้ลพะละงกลาลังสติปัญญาของตัวเป็นลักษณะของสันโดษแท้เพราะเหตุนั้นสันตุฐีประมังพลังสันโดษจริงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอย่างนี้แหละ คือเมื่อทัพย์สมบัติที่เราหาได้เด็กสติกำลังของเราเราก็พอใจเรามีความสุขดีกว่าที่ไปคอรับชันเข้ามาไปรีดถยเข้ามาคนที่คอรับชันนะคุขาดสันโดดคือไม่ไม่พอใจในทรัพย์สมบัติที่ตัวหาได้ด้วยพลักําลังกับพอใจในทัพย์สมบัติที่คนอื่นเขาหาได้ด้วยพลังกำลังเขาตัวเองไม่อยากหาใช้วิธีคอรับชันเอาการที่สังคมเมืองไทยยังมีขอรับชันปราบกันไม่หมดเนี่ยก็เพราะว่าขาดสันโดษถ้าหาว่าทุกคนเผยแถ่เรื่องสันโดด และอธิบายเข้าใจในความหมายของสังโด r ดีจริงแล้วขอรับทันก็ไม่มีคนว่างงานในสังคมก็ไม่มีเอพู้ทึ่ปัญหาข้อนี้ก็ทําให้นึกถึงมีคําว่าสีเลนะโภกสัมปทาจะได้โพกษสมบัติกับพระสินถ้าให้สินทุกครั้งต่วอวา น, นิสงว่าอย่างนี้ชาวบ้านก็สงสัยว่าเอ๊ะสีเลนะโพกษัมปธามันจริงเหรอวันนี้สมาทานสิห์หน้าดูซิมันใช่โพเษัรีร่ไหมเห็โพกสัมปทานี่นะ วันนี้เอ่อเดือนนี้แค่เดือนหนึ่งก็คือสินหให้เคร่งมันทําำไรทำมาค้าขานอยนจะคล่องขึ้นไหมไม่เข้าก็าหาว่าไม่จริงอ๋อสีสีเลนะ โ, โกกสัมปทานโกหกก็ไม่จริงนี่นะนี่เข้าใจหิดอีกแล้ว เ, ข, เ ข, ข้าเข้าใจคําว่าสีเลนะโกกสัมปทานผิดอีกแล้วทําไมต้งแสดงคําว่าสีเลนะโกกสัมปทาเพราะอะไรยกตัวเรายกตัวอย่างก็ฟังง่ายๆบอกว่าเอาแล้ว น, นะวันนี้แกออกจากวัดมไปฟังเทศละออกจากวัดแล้วไปประพิษผิดศีลเข้าไปถึงออกจากวัดไปถึงกางถนนต่อความไม่ ตีกะบาลคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครตีกบาลไปสิทําให้ร่างกายเขาหรือไม่ต่อไปวิ่งลาเขาสิแล้วพอวิ่งลาพอไปตีกบาลเขาเลื่องความถึงโง่ถึงตานถูกจําคุกผู้คาวิบัติแล้วทํำไมถึงวิบัติต้องออกจากงานอืมออกจากงานมีคนที่คุกแล้วเทาเป็นข้าราชการก็ถูกไล่ออกทำเป็นรูปจ้างไปติดคุกกับงหกเดือนเจ็ดเดือนในจ้างขนาดเขาไม่มาจ้างหรอกออก โคคาดิ้หายแล้วคันตาเห็นแล้วคันติดคุกออกมาจะไปหางานทําก็อย่างยากถ้าเขาลูกเบื้หลังตัวเป็นคนขี้คุกขี้ตาลเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลโควคาไม่รีบัตินะหมายถึงว่าเมื่อเรามีศีลเป็นคนมีศีลธรรมไม่ต้องกลัวตํารวจไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นฝานไม่ต้องติดคุกติดตารางแล้วเราก็มีโอกาสที่จะทํามาหากินได้สะดวกหมายความเพียงแค่นี้ครับคําว่าโควคาดสมธา มันเด้กหมายความว่าโอ้ยจะร่ําจะรวยเพราะเหตุการ์ถือสินห้าจะรวยเนเงินถูกเอาม า, าล็อกจะรีเพราะสินค้าไม่ใช่คำว่าสีเลน่าโฟกัสบัตรลาเราต้องอธิบายในแง่นี้ทำก่อนเข้าใจกับชาวบ้านาให้ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมว่ามานี่แหละว่าเขาจะเจ็นจะเห็นลิศสินข้อนี้หรือหรือจะไม่เห็นก็เอากันง่ายๆออกไปไปทําร้ใครเข่าหรือไปชกชิงหญิงลาอะไรไขรเข้าไปทําผิดอะไรข้อ น, นึงเข้าเขแล้วใจมันติดตารางได้แค่ทีหนึ่งแล้วจะได้เห็นผลว่าสีเลน่โฟกัสบัรมลายยังไงบ้างอ บางคนกำลังออกมาเมียก็ชิบหายไปมีหัวใหม่ลูกเต่าก็หนีพระสมบัติก็เจ้งมีบ่อยๆไปนี่ไปเป็นอันตรภานูกเัาขังหลักยาวสักพักหนึ่งออกมาอ่าวเมียไปมีชู้จะแล้วอ้าวบ้านช่องก็วิบัติไปเสร็จแล้วเนี่ยโควคาก็วิบัตินี่และสีเลยนะโคข้าก็ประทาให้คนอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะให้ลํารวยเป็นเศรษฐีเพราะถึงศีลไม่ใช่ไอ้ลํารวยเพราะลํารวยจะต้องทำทำบรรเทนธรรมะอีกหมวดหนึ่งไม่ใช่ธรรมะเพียงศีลศีลไม่ได้ทําให้คนลํารวยศีลเป็นเพียงแต่ช่วยให้ไม่ให้โควคาวิบัติ ให้เราตั้งตัวอยู่ในอ่าอยู่ในฐานะที่ควรในสังคมไม่ต้องไปติดตารางไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาการทํามาหากินอันเป็นเหตุให้ทูกระวีบัตินี่เป็นสีเวยนะภกสับตาเพราะเหตุนั้นปัญหาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความมักน้อยอุปาทานจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความสันโดษทาว่า ด, ด้าวยลักษณะองค์ธรรมนะครับนี่อรักจิตของมันปัญหานั้นมีลักษณะทุกทุกทะ แสวงหาเป็นมูลอุปาทานทุกข์เพราะอารักขาเป็นมูลนี่ในจิตจิตของเขาอาทำมาเรียกว่าปัญหาเป็นทุกข์เพราะอาศัยการแสวงหาเป็นมูลท่านเปรียบเหมือนว่าโจรที่ยื่นมือจะไปลักของอาการโจรยื่นมือไปเป็นปัญหาเจตนาของโจรที่ยื่นมือจะไปลักของเขาเนี่เป็นปัญหาอาการที่ได้ของมาแล้วหวงแหนเอาไว้เป็นของตัวนี่เป็นอุปาทานเพราะฉะนั้นปัญหาเป็นทุกข์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 ท่านแก่ว่ากามตัญหาภาวะตัญหาวิกภาวะตัญหาการมาตัญหาเราเข้าใจง่ายมาถึงรูปรสกลิ่นเสียงแต่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงลําพังรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเดียวนะ่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะไม่ใช่เป็นตัวกามนะรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยใจที่สหรสคดด้วยโลภะอันท่องเที่ยวไปในอารมณ์พกนี้ต่างหากเป็นตัวกามวันกามาสังกับปะนี่แหละเป็นตัวกามกามมาสังกับปะ อารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกก็ตั้งอยู่ในธรรมดาของอารมณ์อย่างนั้นแหละแต่ทาไมาาในที่นี้นะ่นนิเทศแหนปัญหาพระองค์จึงอธิบายในลักษณะการมาตรหาว่าใดแก่รูปรดกลิ่นเสียงเพราะอะไรในที่นี้นะ่ะทรงแสดงโวยในยะคําว่ากามาตรหานคือรูปตรรกะตรฐานปัหาจจุบตัร ห, หาเป็นลําดับนั้นนะ่ะทรงหมายเอาว่ามีการมาสังขัปการมาสัง ข, งขปะอันประกอบด้วย โลภะต่ออรคตเข้าไปโครจรในอารมณ์ทั้งหกนี้อยู่ในนั้นด้วยถ้าลําพังตัวอารมณ์อย่างเดียวนะ่ะลาพังรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเดียวไม่เป็นตัวกางนะครับความดำริของบุคคลทหารเป็นตัวกาง ด, ดํำริโดยอาศัยโลภะเป็นปัจจัยนี่ยเป็นตัวกางนี่เป็นตัวกางแท้เพราะว่าถ้าอารมณ์ตกภายนอกจะเป็นตัวกางแล้วงั้นพระอาริยะ ก, ก็เอากาง ม, มาเลยเป็นกางมาตัญหาเกิดด้วยเพราะรูปรสกลิ่นเสียงนี่ก็เป็น อารมณ์ที่กายของว่าอัจริยะก็ต้องโครจรไปถึงมึงกันเพราะฉะนั้นอารมณ์หกนี่ยเป็นอัยากริชพระเจ้ว่าโดยธรรมชาติแล้เป็นอัจยากริชไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นกลางกลงแต่เพราะไอ้กางมาตั้งแต่ปาของบุคคลเนี่ยที่เขาไปโครจรในอารมณ์หกนี้ต่า ง, างหากเกลราเมื่อผสมกันแล้วจึงเป็นตัวกลางนี่เหมือนกัอบอุปาทานเหมือนกันพนะันจุปาพาและขันธ์ธาทุกขาไม่ได้แสดงว่าพันจุปาพาในแลขันธ์ธาอุป ขันห้าอันประกอบด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกเป็นตัวเจตสิกทุกไม่ใช่ตัวสภาวะทกลำพังขัน้าขันห้าเฉยๆไม่เจตสิกทุกเป็นสภาวะทุกเท่านั้นเป็นทุกขลักษณะแต่มีไอ้เจ้าอุปาทานขันธาคะฆอันเป็นไปในรูปขันกระทั่ถงถึงวิญญาณขันตัวขันธาคะฆนี่แหละคือตัวอุปาทานขันธาคะฆอันเป็นไปในขันห้า จึงเป็นตัวเจตสิกระทุกตกลงว่าทุกมีสองชั้นทุกข่ายนอกทุกข่ายในคนที่มีทั้งธราค้าในขันหน้าก็โดนทุกสองขั้นคนที่มีมชั้นธราค้าในขันหน้าก็เพียงแต่ทุกข้างนอกขั้นเดียวไม่เจ็บทั้งข้างในมันต่างกันอย่างนี้